พระอนุบัญญัติเพึ่งทำความสำเนียกว่าเราไม่เป็นไข่จกไม่ถ่ายอุจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำเรื่องภิกษุณีเป็นไข่จบ